จเจริญเมตตาถึงขั้นสีมาสําเพทคําว่าสีมาสําเพทการทําลายขอบเขตแห่งเมตตาคือไม่ทําการแบ่งแยกว่าตนคนที่รักคนเป็นกลางๆคนคู่เวรอธิบายว่าคนสีพวกนี้เป็นสีมาเขตแดนที่จะแผ่เมตตาไปถึงเมื่อแรกจเจริญเมตตานั้น ก็เจริญไปทีละเขตละเขตครั้นภาวนามีกำลังกล้าขึ้นจิตก็เห็นเสมอกันในคนสี่จำพวกนี้ไม่มีแยกเป็นเขตเขตอย่างแรกเจริญดังนี้เรียกว่าสีมาสัมเพทเมื่อโยคีบุคคลได้พยายามบรรเทาความโกรธแค้นในคนคู่เวรให้ระงับลงได้แล้วด้วยอุบายวิธีต่างๆมีการระลึกถึงพระพุทธโอวาท ในกกะจุพมัสูดเป็นต้นตามที่ได้แสดงมาชนีแล้วจิตของโยคีบุคคล น, นั้นก็จะแผ่ไปน้อมไปแม้ในคนคู่เวร น, นั้นได้ด้วยวิธีแห่งเมตตาภาวนาเช่นเดียวกับในคนที่รักเพื่อนที่รักมากและคนเป็นกลางๆนั่นเทียวลำดับนั้นโยคีบุคคลพึ่งเจริญเมตตาให้บ่อยๆขึ้นแล้วทาเมตตาให้เป็นสีมาสําเพส กล่าวคือทำจิตให้เสมอกันในบุคคลสี่จำพวกได้แก่ตนเองหนึ่งคนที่รักหนึ่งคนที่เป็นกลางกลางหนึ่งคนคู่เวรหนึ่งต่อไปลักษณะของสีมาสัมเพทลักษณะของเมตตาที่เป็นสีมาสัมเพทนั้นดังนี้สมมติว่าขณะที่โยคีบุคคล ผู้เจริญเมตตากรรมฐานนั้นนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนที่รักคนที่เป็นกลางๆางและคนคู่เวรเป็นสี่ทั้งตนเองได้มีพวกโจรเข้าไปหาและพูดว่าท่านครับขอจงให้ภิกษุแก่เราสักรูปหนึ่งเถิดโยคีบุคคลถามว่าจะเอาไปทำไมพวกโจรตอบว่าจะนำไปฆ่าเอาเลือดในลำคอทำพลีกรรม ในกรณีเช่นนี้ถ้าโยคีบุคคล น, นั้นตัดสินใจว่าจงเอารูปนั้นหรือรูปโน้นก็ดีดังนี้ไม่ชื่อว่าทำเมตตาให้เป็นสีมาสัมเพทถ้าแม้โยคีบุคคลจะพึงตัดสินใจว่าเชิญเอาตัวฉันไปเถอะอย่าเอาสามรูปนั้นเลยดังนี้ก็ไม่ชื่อว่าได้ทำเมตตาให้เป็นสีมาสัมเพทเช่นเดียวกัน ถามเพราะเหตุไรจึงไม่เป็นสีมาสัมเพทตอบเพราะเหตุที่เมื่อโยคีบุคคลยังมีความปรารถนาให้โจรเอาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอยู่นั้นก็ชื่อว่าเธอเป็นผู้มีความมุ่งร้ายในภิกษุรูปนั้นอยู่และเป็นผู้ยังมีความปรารถนาดีในภิกษุรูปอื่นๆนอกนี้จิตไม่สม่ำเสมอในคนทั้งสี่คน ตอเมื่อใดโยคีบุคคล น, นั้นไม่เห็นคนที่ตนควรจะให้แก่พวกโจรแม้สักคนหนึ่งในจำนวนสีคนนั้นวางจิตไว้เสมอทั้งในตนและคนสามคนนั้นดังนี้จึงได้ชื่อว่าทำเมตตาให้เป็นสีมาสัมเพทสมด้วยวัจนะประพันธ์อันพระโบราณาจารย์ประพันธ์ไว้ว่าภิกษุผู้เจริญเมตตากรรมฐานนั้น ตราบได้ที่ยังเห็นแตกต่างกันอยู่ในบุคคลสี่จำพวกคือตนคนที่รักคนที่เป็นกลางกลางและคนที่เกลียดชังในคนใดคนหนึ่งเรียกได้เพียงว่าเธอเป็นผู้มีจิตปรารถนาดีในสัตว์ทั้งหลายแต่ยังไม่จัดว่าเป็นผู้มีความรักด้วยเมตตาแท้หรือเป็นผู้มีกุศลอันประเสริฐต่อเมื่อใดภิกษุนั้นทาลายขอบเขตแห่งเมตตา คือบุคคลสี่จำพวกเสียได้จึงจะแผ่เมตตาแท้ไปได้ทั่วโลกมนุษย์กับทั่วโลกเทวดาอย่างสม่ำเสมอกันขอบเขตแห่งเมตตาไม่ปรากฏมีแก่ภิกษุใดเธอได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริญยิ่งใหญ่กว่าคนที่ยังเห็นแตกต่างในบุคคลสี่จำพวกข้างต้นนั้นสีมาสัมเพท เท่ากับปฏิภาคะนิมิตด้วยประการชนนี้เป็นอันว่าโยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐานนี้ได้สำเร็จถึงขั้นปฏิภาคะนิมิตรหรืออุปจารสมาธิแล้วทั้งนี้ตลอดเวลาที่สีมาสำเพอยังเป็นไปอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเทียวอธิบายว่าในกรรมฐานอื่นๆ เช่นกสิณกรรมฐานเป็นต้นปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์ของชานจิตโดยอาศัยอุคหานิมิตที่ได้มาด้วยการภาวนาซึ่งเรียกว่าดวงกสิณเป็นต้นส่วนในเมตตากรรมฐานนี้ไม่มีปฏิภาคนิมิตปรากฏให้เห็นเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าสีมาสำเพอันมีลักษณะดังแสดงมาที่โยคีบุคคลได้บรรลุแล้วนั่นแหล จัดเป็นดุดปฏิภาคนิมิตในที่นี้ด้วยมีลักษณะอาการคล้ายกับปฏิภาคคณิมิตในกรรมฐานอื่นๆเพราะว่าเมื่อโยคีบุคคลจเจริญเมตตากรรมฐานมาจนสำเร็จถึงขั้นสีมาสำเพทแล้วโดวยเหตุที่ภาวนามีกำลังแก่กล้าขึ้นนิวรห้าประการอันเป็นศัตรูโดยตรงของฌานจึงเป็นอันโยคีบุคคลข่มไว้ได้แล้ว กิเลสทั้งหลายอันตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับนิวรก็สงบลงหมดแล้วจิตของโยคีบุคคลนั้นก็เป็นอันตั้งมั่นดีแล้วด้วยกำลังแห่งอุปจารสมาธินั่นเทียวเจริญเมตตาบรรลุถึงขั้นปฐมฌานเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตากรรมฐาน ถึงขั้นสีมาสําเพศแล้วดังนี้คราวนี้จงทำสีมาสาเพศนั่นแหละให้เป็นนิมิตกรรมฐานและพยายามสองเสพนิมิตนั้นให้หนักขึ้นทำให้เจริญขึ้นเพียรทำให้มากๆเข้าโยคีบุคคลก็จะบรรลุถึงซึ่งอปปนาสมาธิอันได้แก่ปฐมฌานซึ่งเป็นฌานขั้นแรกโดยทำนองที่แสดงมาแล้วในปัทวีกสินนิเทศ ทั้งนี้โดยจะไม่เป็นการลำบากอะไรเลยด้วยภาวนาวิธีเพียงเท่านี้เป็นอันว่ายโยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐานได้บรรลุแล้วซึ่งปฐมฌานซึ่งประกอบด้วยเมตตาพรหมวิหารอัลละเสดได้ซึ่งองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้ามีความงามสามถึงพร้อมลักษณะสิบฉะนี้แหล วิธีเจริญสมถั ก, กรรมฐานอย่างพิสดารตลอดถึงการมาลุฌานขั้นต่างๆมีปรากฏในปัททวีกสินนิเทศแล้วเพราะปัทวีกสินกรรมฐานนั้นท่านยกมาแสดงเป็นอันดับแรกท่านจึงแสดงพิสดารโดยสมบูรณ์ทุกอย่างในกรรมฐานอื่นๆลำดับต่อมาท่านแสดงเฉพาะที่พิเศษผู้ปรารถนาพึงตรวจดูณที่นั้น สำหรับองค์ห้าจนถึงลักษณะสิบของปฐมชาตนี้มีอธาธิบายในปฐวีกสินนิเทศโดยพิสดารผู้ปรารถนาจงตรวจดูณที่นั้นเช่นกันเมตตากรรมฐานบรรลุถึงฌานขั้นไหนโยคีบุคคลผู้ได้บรรลุถึงขั้นปฐมฌาน เป็นชาณลาภีบุคคลแล้วแต่นั้นเมื่อพยายามเจริญกรรมฐานได้ยิ่งขึ้นไปโดยใช้นิมิตคือสีมาสาเพชนั้นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานซองเสพนิมิตนั้นให้หนักขึ้นทำให้เจริญขึ้นเพียรทำให้มากมากขึ้นก็จะได้บรรลุถึงชาญขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับกล่าวคือในกรณีที่นับจำนวนชาญเป็นสีขั้นที่เรียกว่าจตุ ก, กนาฏ ก็จะได้บรรลุทุติยชฌานและตัตยะฌานเป็นขั้นสุดท้ายไม่ถึงขั้นจตุตถาฌานในกรณีที่นับจำนวนฌานเป็นห้าขั้นที่เรียกว่าปัญจการในก็จะได้บรรลุทุติยชฌานตัตยะฌานและจะตุตถาฌานเป็นขั้นสุดท้ายไม่ถึงขั้นปัญจมะฌานทั้งนี้เพราะเหตุที่จตุตถาฌานโดยจตุ ก, กนันใน และปัญจมะฌานดยปัญจกะในมีองค์ฌานเป็นอุเบกขาเวทนาเมตตานี้เป็นฝักฝ่ายแห่งโสมนัสเวทนาดังนั้นเมตตากรรมฐานจึงไม่สามารถที่จะให้บรรลุถึงจตุทธตฌานหรือปัญจมะฌานได้ด้วยประการชนนี้ การแผ่เมตตาไปทั่วทิศและทั่วโลกก็แลโยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐานจนบรรลุถึงอัปปนาชานเป็นชาณาลาพีบุคคลแล้วนั้นย่อมแผ่เมตตาจิตโดยเจาะจงไปทั่วทุกทิศคือเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาอันสำเร็จด้วยอำนาจปฐมฌานเป็นต้นฌานใดฌ า, านหนึ่งย่อมแผ่เมตตาจิต ไปทางทิศใหญ่ทิศหนึ่งมีทิศบูรพาเป็นต้นถัดนั้นย่อมแผ่เมตตาจิตไปทางทิศใหญ่ที่สองถัดนั้นย่อมแผ่เมตตาจิตไปทางทิศใหญ่ที่สามถัดนั้นย่อมแผ่เมตตาจิตไปทางทิศใหญ่ที่สี่โดยทํานองเดียวกันย่อมแผ่เมตตาจิตไปทางทิศเบื้องบนจรวดพรมโลกย่อมแผ่เมตตาจิตลงไปทางทิศเบื้องล่าง จะลดอเวจีมหานรกย่อมแผ่เมตตาจิตไปทางทิศน้อยทั้งสี่คือทิศอาคเนทิศพายัพทิศอีสานทิศหรดีได้แก่ยังจิตอันประกอบด้วยเมตตาให้ระลึกแล่นไปในทิศทั้งสิบครบทุกทิศอย่างนี้เหมือนในสารธีควบม้าให้วิ่งไปทั่วบริเวณสนามม้าเช่นนั้นและย่อมแผ่เมตตาจิต โดยไม่เจาะจงไปทั่วทั้งโลกคือโยคีผู้ชาณลาภีบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาอันไพยบูญกว้างขวางอันถึงความเป็นใหญ่โดยภูมิอันไม่มีประมาณในสัตว์อันไม่มีพยาบาทเป็นเหตุผูกเวรสัตว์และอันไม่มีโทมนัสเป็นเหตุเบียดเบียนสัตว์ย่อมแผ่เมตตาจิตไปยังโลกอันประกอบด้วยหมู่สัตว์ทุกชนิด ในประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกโดยเป็นผู้มีตนเสมอในตวสทุกจำพวกคือทั้งชนชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงทั้งคนที่เป็นมิตรเป็นศัตรูและเป็นกลางกลางทั้งที่เป็นสตรีหรือบุรุษทั้งที่เป็นพระอริยเจ้าหรือปุถุชนทั้งที่เป็นเทวดาวหรือมนุษย์ด้วยประการชนนี้แต่อย่างไรก็ดี วิธีแผ่เมตตาไปทั่วทิศและทั่วโลกที่แสดงมานี้จะสำเร็จเป็นไปได้ก็เฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้ได้บรรลุถึงขั้นอัปปนาสมาธิด้วยอานาจแห่งปฐมฌานเป็นต้นเท่านั้นวิธีการแผ่เมตตาสามอย่างก็แลววิธีการแผ่เมตตาไปทั่วทิศและทั่วโลก ที่แสดงมานี้ย่อมสำเร็จเป็นไปได้เฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้ได้บรรลุถึงขั้นอั ป, ปนาชาแล้วฉันใดแม้วิธีการแผ่เมตตาที่ท่านแสดงไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามรักษ์สามอย่างดังจะแสดงต่อไปนี้ก็สำเร็จเป็นไปได้เฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้ได้บรรลุถึงขั้นอั ป, ปนาชาแล้วเช่นเดียวกันคือเมตตาเจโตวิมุต ที่แผ่ไปโดยเมจเจาะจงบุคคลซึ่งเรียกว่าอนโนทิโสภารณาโดยอาการห้านั้นอย่างหนึ่งเมตตาเจโตวิมุตที่แผ่ไปโดยเจาะจงบุคคลซึ่งเรียกว่าโอทิโสภารณาโดยอาการเจ็ดนั้นอย่างหนึ่งเมตตาเจโตวิมุตที่แผ่ไปในทิศซึ่งเรียกว่าทิสาภารณา โดยอาการสิบนั้นอย่างหนึ่งเชนนี้อย่างไรก็ดีผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจในวิธีการแผ่เมตตาไม่เ จ, จคคาะ จ, จงบุคคลโดยอาการห้าเจาะจงบุคคลโดยอาการเจ็ดและวิธีแผ่ไปในทิศโดยอาการสิบตามที่ท่านแสดงไว้ในคำภีปฏิสัมพิธามากนั้นเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป วิธีที่หนึ่งอนโนทิโสภารณาคําแผลเมตตาไม่เจาะจงโดยอาการห้าคำแผลเมตตาไม่เจาะจงโดยอาการห้าประการที่หนึ่งสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอภยาปั ช, ชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดประการที่สองสัพเพปานาอเวราโหนตุอภิยาปชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตานังปาริหารันตุขอปานะทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์ จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสำหรับคำว่าปานะแปลว่าลมหายใจหรือสัตว์มีชีวิตหรือชีวิตประการที่สามสัพเพภูตาอเวราหนตุอพยาปัชาหนตุอนิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุขอพูดทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกัน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 สัพเพอัตตภาวะปริยาปัญ น, นาอาวิราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตานังปริหรันตุขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดโอทิโสภารณา คำแผลเมตตาเจาะจงโดยอาการเจ็ดหนึ่งสัพพาอิธิโยอเวราโหนตุอพยาปัชาโหนตุอณิคาโหนตุสุขีอัตตาหนังปริหารันตุขอสตรีทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสสัพเพปุริษาอเวราโหนตุ อพยาปชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตานังปาริหารันตุขอบูรุษทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสามสพเพอริยาอเวราโหนตุอพยาปชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตานังปาริหารันตุ ขอพระอริยะเจ้าทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสสัพเพอนริยาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุขอปุถุชนทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดห้าสัพเพเท ว, วาอเวราหวนตุอภพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุขอเทวดาทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดหก สัพเพมนุษสาอเวลาโหนตุอัพิยาปชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตตนังปริหารันตุขอมนุษย์ทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกขจงมีสุขประครองตนไปให้รอดเถิดเจสัพเพวินิปาติกาอเวลาโหนตุอภพยาปชาโหนตุอานีคาโหนตุ สุขีอัตนานังปาริหารันตุขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสัตว์วินิปปติกะทั้งปวงหมายถึงสัตว์ผู้เกิดในภพที่ต้องโทษหรือเกิดในอบายภูมิสีคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์ยรชาน วิธีที่สามที่สาภารนาวิธีแผ่เมตตาไปในทิศโดยอาการสิบวิธีการแผ่เมตตาไปในทิศนั้นคือแผ่เมตตาไปในบุคคลสิบสองจำพวกนั้นที่อยู่ในทิศทั้งสิบได้แก่ทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องล่างหนึ่งทิศเบื้องบนหนึ่งทิศหนึ่งนับเป็นอาการแห่งภาวนาอันหนึ่ง จึงเรียกว่าโดยอาการสิบมีคำสำหรับแผ่ดังต่อไปนี้คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการสิบวาระที่หนึ่งในบุคคลที่หนึ่งหนึ่งสเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวราหวนตุอพยาปัชาหวนตุอนิคาหวนตุสุขีอตานังปริหรันตุขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพาคือทิศตะวันออกจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 2. สัพเพปัจมายะทิสายะสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตานังปะริหารันตุขอสัต ท, ทั้งปวงในทิศประจิมคือทิศตะวันตก จงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประครองตนไปให้รอดเถิด ส, สัมสเพอุตรายะที่สายะสัตตาอาเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรคือทิศเหนือจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์ จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสสัพเพทขินายะที่สายะสัตตาอเวราโหนตุอพยาปัชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษินเกิดทิศใต้จงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุติสายะสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุขอสัตทั้งปวงในทิศอคเนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้จงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดหสัพเพปัจชิมายะ อนุทิสายะสัตตาอเวราโหนตุอภยาปัชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายับคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวราโหนตุ อพยยาปัชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานคือทิศ ต, ตะวันออกเฉียงเหนือจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดแปดสัพเพทัคินายะอนุทิสายะสัตตาอเวราโหนตุอัยยาปชาโหนตุ อนิคาโหนตุสุขีอตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้จงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชาโหนตุอนิคาโหนตุ สุขีอัตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดสิสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตนานังปริหารันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงอย่าผูกเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดหมายเหตุผู้อา่านสำหรับในที่นี้คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการสิบในวาระอื่นๆก็เช่นเดียวกับวาระแรกเพียงแค่เปลี่ยนบุคคลนะครับจากคำที่ว่าขอสัตว์ทั้งปวง ในแต่ละทิศนั้นเป็นขอปานะทั้งปวงในแต่ละทิศนั้นละเป็นขอพูดทั้งปวงขอบุคคลทั้งปวงขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงขอสตรีทั้งปวงขอบุรุษทั้งปวงขอพระอริยเจ้าทั้งปวงขอปุถุชนทั้งปวงขอเทวดาทั้งปวงขอมนุษย์ทั้งปวงและขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวง แล้วแผ่เมตตาไปเช่นเดียวกับวบาระแรกทั้งหมดนะครับในที่นี้ขอข้ามไม่อาจเสียงนะครับท่านที่ต้องการแผ่เมตตาโดยละเอียดสามารถตรวจ ด, ดูจากเนื้อหาในไฟล์ pdf ที่ทำให้ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวิธีการแผ่เมตตาในทิศโดยอาการสิบโดยปรารบบุคคล12จําจำพวกดังแสดงมานี้รวมเป็นอาการแห่งภาวนา120 เมื่อบวกที่แพ่โดยไม่เจาะจง5้าอาการโดยเจาะจงเจอาการเข้าด้วยจึงเป็น132อาการด้วยประการชนนี้